พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละเธอทั้งหลายต้องแทงตลอดนิมิตนั้นได้แน่จะเล่าให้ฟังว่าก่อนแต่การตรัสรู้หนึ่งแม้เรายังไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองขณะที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้เหมือนกันแต่ไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็หายไปจากเรา เราจึงคิดอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไปจากเราเรานั้นได้คิดว่าวิจิกิจช้าเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะวิจิกิจช้าเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจช้าจะไม่เกิดแก่เราอีก 2. เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็หายไปจากเราเราจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไปจากเราเรานั้นได้คิดว่าอามนัสการการไม่ใส่ใจเกิดขึ้นแล้วแก่เรา เพราะอามนัสการเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจช้าและอมนัสการจะไม่เกิดแก่เราอีก 3. เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทละถึงเรานั้นได้คิดว่าทีนามิทะเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะาถีนมิทะเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจชาอามนัสการและถีนมิทะจะไม่เกิดแก่เราอีก 4. เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทและถึงเรานั้นได้คิดว่าความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกลที่สองข้างทางเกิดมีคนปองร้ายเขาเพราะถูกคนปองร้ายนั้นเป็นเหตุเขาจึงเกิดความสะดุ้งกลัวแม้ฉันใดความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นแล้วแข่เราฉั้นนั้นเหมือนกันเพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาอมนัสการทีนมิทะและความสะดุ้งกลัวจะไม่เกิดแก่เราอีก 5. เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทและถึงเรานั้นได้คิดว่าความปราบปลื้มเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความปราบปลื้มเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเปรียบเหมือนบุรุษผู้สแสวงหาขุมทรัพย์แห่งหนึ่งพบแหล่งขุมทรัพย์ห้าแห่งในคราวเดียวกันเพราะพบแหล่งขุมทรัพย์ห้าแห่งนั้นเป็นเหตุเขาจึงเกิดความปลาปลืม้มแม้ฉันใดความปราปลื้มเกิดขึ้นแล้วแกเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะความปราปลื้มเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาอมนัสการถีนมิทะความสะดุ้งกลัวและความปลาปลื้มจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีก 6. เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทและถึงเรานั้นได้คิดว่าความชั่วหยาบเกิดขึ้นแล้วแก่เรา เพราะความชั่วหยาบเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทําโดยวิธีที่วิจิกิจฉาอมนัสการทีนามิทะความสะดุ้งกลัวความปลาปลื้มและความชั่วหยาบจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีก 7. เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทและถึง เรานั้นได้คิดว่าความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเปรียบเหมือนบุรุษเอามือทั้งสองจับนกคุ้มไว้แน่นนกคุ้มนั้นต้องถึงความตายในมือของบุรุษนั้นนั่นเองแม้ฉันใด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 และความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีก 8. เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทและถึงเรานั้นได้คิดว่าความเพียรที่ย่อนเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความเพียรที่ย่อนเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไป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 อำนาจศิการถีนมิทะความสะดุ้งกลัวความปราบปลืม้มความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปและความเพียรที่ย่อนเกินไปจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีก 9. เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทละถึงเรานั้นได้คิดว่าตันหาที่คอยกระซิบได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะตันหาที่คอยกระซิบเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาอมนัสการถีนมิทะความสะดุ้งกลัวความปราบปลืม้มความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพินเกินไปความเพียรที่หย่อนเกินไปและตัณหาที่คอยกระซิบจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีกสิบ เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทและถึงเรานั้นได้คิดว่านานาตัดสัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะนานาตัดสัญญาเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาอมนสสการฉีนมิทะความสะดุ้งกลัวความปราบปลื้มความชั่วยา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 ทีนามิทะความสะดุ้งกลัวความปราบปลืม้มความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปความเพียรที่ย่อนเกินไปตัณหาที่คอยกระซิบนานาตะสัญญาและลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีก ทำเป็นเครื่องเศร้ามองแห่งจิตเรานั้นร er ู้ชัดดังนี้ว่าวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสทําเครื่องเศร้ามองแห่งจิตแล้วจึงละวิจิกิจฉาอันเป็นอุปกิเล์แห่งจิตได้รู้ชัดดังนี้ว่าอามนัสิกานเป็นอุปกเล์แห่งจิตแล้วจึงละอมนัสิกานอันเป็นอุปกเล์แห่งจิตได้รู้ชัดดังนี้ว่า ทีนมิทะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละทีนมิทะอันเป็นอุปคิเลตแห่งจิตได้รู้ชัดดังนี้ว่าความสะดุ้งกลัวเป็นอุปคิเลตแห่งจิตแล้วจึงละความสะดุ้งกลัวอันเป็นอุปกิเลตแห่งจิตได้รู้ชัดดังนี้ว่าความปลาปลื้มใจเป็นอุปคิเลตแห่งจิตแล้วจึงละความปลาปลื้มใจอันเป็นอุปคิเลตแห่งจิตได้ รู้ชัดดังนี้ว่าความชั่วหยาบเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละความชั่วหยาบอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้รู้ชัดดังนี้ว่าความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้รู้ชัดดังนี้ว่าความเพียรที่หย่อนเกินไป เป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละความเพียรที่ย่อนเกินไปอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้รู้ชัดดังนี้ว่าตัณหาที่คอยกระซิบเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละตัณหาที่คอยกระซิบอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้รู้ชัดดังนี้ว่านานัตสัญญาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละนานัตสัญญา อันเป็นอุปกิเล์แห่งจิตได้รู้ชัดดังนี้ว่าลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเป็นอุปกิรล์แห่งจิตแล้วจึงละลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปอันเป็นอุปกิรลสแห่งจิตได้ นุรุตะนันทิยะและกิมพิละเพราะเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจาแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปเพราะเราเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างเรานั้นจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้เราจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปเห็นรูปได้แต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างเรานั้นคิดว่าสมัยใดเราไม่ใส่ใจนิมิตคือรูปใส่ใจแต่นิมิตคือแสงสว่างสมัยนั้นเราย่อมจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูป แต่สมัยใดเราไม่ใส่ใจนิมิตคือแสงสว่างใส่ใจแต่นิมิตคือรูปสมัยนั้นเราย่อมเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อย จำแสงสว่าง er อันหาประมาณมิได้และเห็นรูปอันหาประมาณมิได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างเราจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราจำแสงสว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อยจำแสงสว่างอันหาประมาณมิได้และเห็นรูปอันหาประมาณมิได้ ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างเรานั้นได้รู้ว่าในสมัยใดเรามีสมาธินิดหน่อยสมัยนั้นเรามีจักษุนิดหน่อยเรานั้นจําแสงสว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อยด้วยจักษุเพียงนิดหน่อยแต่สมัยใดเรามีสมาธิอันหาประมาณมิได้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 อนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละในการใดเรารู้ชัดดังนี้ว่าวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละวิจิกิจฉาอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้รู้ชัดดังนี้ว่าอามนาสิกานเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละอามนาสิกานอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้รู้ชัดดังนี้ว่า ทีนมิทะเป็นอุปกิเลธแห่งจิตแล้วจึงละทีนามิทะอันเป็นอุปกิเลธแห่งจิตได้รู้ชัดดังนี้ว่าความสะดุ้งกลัวเป็นอุปกิเลธแห่งจิตแล้วจึงละความสะดุ้งกลัวอันเป็นอุปกิเลธแห่งจิตได้รู้ชัดดังนี้ว่าความปลาปลื้มใจเป็นอุปกิเลธแห่งจิตแล้ว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 นานัตตสัญญาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละนานัตตสัญญาอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้รู้ชัดดังนี้ว่าลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้ อนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละในการนั้นเรานั้นได้รู้ว่าเราละอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้นได้แล้วเอาเถิดบัดนี้เราจะเจริญสมาธิทั้งสามประการเรานั้นจึงได้เจริญสมาธิที่มีวิตกมีวิจารบ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารบ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารบ้าง ได้เจริญสมาธิที่มีปีติบ้างได้เจริญสมาธ right ิที่ไม่มีปีติบ้างได้เจริญสมาธิที่สหรคดด้วยความสุขบ้างได้เจริญสมาธิที่สหรคดด้วยอุเบกขาบ้างอนุรุทธะนันทยะและขิมพิละในการใดเราเจริญสมาธิที่มีวิตกมีวิจาร์เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์เจริญสมาธิที่มีปีติเจริญสมาธิที่ไม่มีปีติเจริญสมาธิที่สหรคดด้วยสุขเจริญสมาธิที่สหรคตด้วยอุเบกขาในการนั้นญานณทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วท่านพระอนุรุธทธะมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลกุปักกิเลสะสูตรที่8ปดจบ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 ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตระทึเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายลักษณะของคนพานเครื่องหมายของคนพานความประพฤติไม่ขาดสายของคนพานสาประการนี้ลักษณะของคนพานสาประการอะไรบ้างคือคนพานในโลกนี้หนึ่งชอบคิดแต่เรื่องชั่ว 2. ชอบพูดแต่เรื่องชั่ว 3. ชอบทำแต่กรรมชั sure. well, ่วถ so, um, so uh ้าคนพานไม่ชอบคิดเรื่องชั่วไม่ชอบพูดเรื่องชั่วไม่ชอบทำกรรมชั่วเช่นนั้นบัณฑิตทั้งหลายจะพึงรู้จักเขาด้วยเหตุไรว่าผู้นี้เป็นคนพานไม่ใช่คนดีแต่เพราะคนพานชอบคิดแต่เรื่องชั่วชอบพูดแต่เรื่องชั่วและชอบทำแต่กรรมชั่วฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงรู้จักเขาว่า ผู้นี้เป็นคนพานไม่ใช่คนดีคนพานนั้นย่อมเสวยทุกขโทมนัสามประการในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายถ้าคนพานนั่งในสภาก็ดีในตรอกก็ดี ริมทางสามแพร่งก็ดีถ้าชนในที่นั้นผู้ถ้อยคําที่สมควรแก่ทำนั้นแก่เขาถ้าคนพานเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นผู้ลักทรัพย์เป็นผู้ประพฤติผิดในกามเป็นผู้พูดเท็จเป็นผู้เสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทในเรื่องนั้นคนพานจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่า ข้อที่ชนผู้ถ้อยคําที่สมควรแก่ทรรมนั้นทรรมเหล่านั้นมีอยู่ในเราและเราก็ปรากฏในธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายคนผ่านย่อมเสวยทุกขโทมนัตประการที่หนึ่งนี้ในปัจจุบัน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 ทำให้มองดูเหมือนนุ่งผ้าคากรองบ้างสวมปลอกเหล็กที่ข้อศอกและเขา่าแล้วเสียบเหลาทั้งห้าทิศเอาไฟเผาบ้างใช้เบ็ดเกี่ยวหนังเนื้อเอ็นออกมาบ้างเฉือนเนื้อออกเป็นแว่นแว่นเหมือนเหรียญกระสาบบ้างเฉือนหนังเนื้อเอ็นออกเหลือไวแต่กระดูกบ้างใช้เหลาแทงช่องหูให้ทะลุถึงกันบ้าง เสียให้ติดดินแล้วจับเขาหมุนได้รอบบ้างทุบกระดูกให้แหลกแล้วถลกหนังออกเหลือไว้แต่กองเนื้อเหมือนต่างใบไม้บ้างรถตัวด้วยน้ำมันที่กำลังเดือดพ่านบ้างให้สุนัข ก, กัดกินจนเหลือแต่กระดูกบ้างให้นอนบนหลาทั้งเป็นบ้างตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้างในขณะที่เห็นนั้นคนผ่านมีความรู้สึกอย่างนี้ว่า เพราะเหตุแห่งกรรมเช่นไรพระราชาทั้งหลายจึงรับสั่งให้จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วลงอาญาโดยประการต่างๆคือให้เคี่ยนด้วยแส่บ้างและถึงตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้างก็ทําเหล่านั้นมีอยู่ในเราและเราก็ปรากฏในธรรมเหล่านั้นถ้าแม้พระราชาทั้งหลายพึงรู้จากเราก็จะรับสั่งให้จับเรา แล้วลงอาญาโดยประการต่างๆคือให้เคี่ยนด้วยแท้บ้างละถึงให้นอนบนลาวทั้งเป็นบ้างตัดศรีรษะออกด้วยดาบบ้างภิกษุทั้งหลายคนผานย่อมเสวยทุกขโทมนัสประการที่สองนี้ในปัจจุบัน อีกประการหนึ่งในสมัยนั้นบาปกรรมที่คนพานทำรรคือการประพฤติกายทุจริตการประพฤติวจีทุจริตการประพฤติมโนธุจริตไว้ในการกอรย่อมงูเหนียวบดบังครอบงำคนพานผู้อยู่บนตังบนเตียงหรือนอนบนพื้นเปรียบเหมือนเงาของยอดภูเขาใหญ่ย่อมกั้นบดบัง ครอบคลุมแผ่นดินใหญ่ในเวลาเย็นแม้ฉันใดในสมัยนั้นบาปกรรมที่คนพาลทาคือประพฤติกายธุจริตการประพฤติวจีทุจริตการประพฤติมโนธุจริตไว้ในการก่อนย่อมน่วงเหนียวบทบังครอบงำคนพาลผู้อยู่บนตังบนเตียงหรือนอนบนพื้นฉันนั้นเหมือนกันในเรื่องนั้นคนพาลมีความคิดอย่างนี้ว่า เราย <weights. S 1> <retrouve apa S 3> ังไม่ได้ทำความดีไว้หนอยังไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำที่ป้องกันสิ่งน่ากลัวไว้ทำแต่ความชั่วทาแต่กรรมหยาบช้าทาแต่กรรมเศร้าหมองเราตายแล้วจะไปสู่คติของผู้ไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำที่ป้องกันสิ่งน่ากลัวไว้ทาแต่ความชั่วทาแต่กรรมหยาบช้าทาแต่กรรมเศร้าหมองนั้น เขาย่อมเศร้าโศกลำบากใจร่ำไรทุบอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลภิกษุทั้งหลายคนผ่านย่อมเสวยทุกขโทมนัตประการที่สามนี้ในปัจจุบัน mm hmm. mm hmm. ภิกษุทั้งหลาย คนพาณ น, นั้นยังประพฤติกายยทุจริตประพฤติวจีทุจริตประพฤติมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงนรกนั้นนั่นแหละว่าเป็นสถานที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจโดยส่วนเดียวทุกนี้กับทุกขในนรกเปรียบเทียบกันไม่ได้ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกสุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์จะทรงอุปมาได้อีกหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าได้ภิกสุแล้วตรัสว่าเปรียบเหมือนราชบุรุษทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติผิดได้แล้วจึงแสดงแก่พระราชาว่าขอเดชะ ผู้นี้เป็นโจรประพฤติผิดต่อพระองค์ขอพระองค์จงทรงลงพระอาญาตามที่ทรงพระราชประสงค์แก่โจรผู้นี้เถิดพระราชามีพระกระแสรรับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงไปช่วยกันประหารบุรุษนี้ด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเช้าราชบุรุษทั้งหลายก็ช่วยกันประหารบุรุษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเช้าต่อมาในเวลาที่ยังวัน พระราชาทรงซักถามราชบุรุษทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายบุรุษนั้นเป็นอย่างไรบ้างราชบุรุษทั้งหลายกราบทูลว่าเขายังมีชีวิตอยู่พระเจ้าข่าพระราชาจึงมีพระกระแส ร, รับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงไปช่วยกันประหารบุรุษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาที่ยงวัน ราชบุรุษทั้งหลายก็ช่วยกันประหารบุรุษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวันต่อมาในเวลายเย็นพระราชาทรงซักถามราชบุรุษทั้งหลายอีกว่าท่านทั้งหลายบุรุษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเขายังมีชีวิตอยู่พระเจ้าค่าท่านทั้งหลายจงไปช่วยกันประหารบุรุษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลายเย็น ราชบุรุษทั้งหลายจึงช่วยการประหารบุรุษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรคือบุรุษนั้นถูกประหารด้วยหอกสามร้อยเล่มพึงเสวยทุกขโทมนัตเพราะการประหารนั้นเป็นเหตุบ้างไหมบุรุษนั้นแม้ถูกประหารด้วยหอกหนึ่งเล่มยังได้เสวยทุกขโทมนัตซึ่งมีการประหารนั้นเป็นเหตุ ไม่จำต้องกล่าวถึงการที่บุรุษนั้นถูกประหารด้วยหอกตั้งสามร้อยเล่มพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหยิบก้อนหินขนาดย่อมย่อมเท่าฝ่ามือขึ้นมาแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือก้อนหินขนาดย่อมย่อมเท่าฝ่ามือที่เราถืออยู่นี้กับขุนเขาหิ ม, มาพาน อย่างไหนใหญ่กว่ากันก้อนหินขนาดย่อมๆเท่าฝ่าพระหัตถ์ที่พระองค์ทรงถืออยู่นี้มีประมาณน้อยนักเปรียบเทียบกับขุนเขาหิมพานแล้วไม่ถึงแม้การนับไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยวไม่ถึงแม้การเทียบกันได้พระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันทุกขโทมนัเพราะการประหารนั้นเป็นเหตุ ที่บุรุษถูกประหารด้วยหอกสามร้อยเล่มเสวยอยู่นั้นเปรียบเทียบกับทุกข์แห่งนรกแล้วไม่ถึงแม้การนับไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเซี่ยวไม่ถึงแม้การเทียบกันได้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 คนผ่านนั้นเสวยทุกขเวทนากล้าละถึงตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนายนิริยาบาลจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงเอามีดเฉือนคนผ่านนั้นเสวยทุกขเวทนากล้าละถึงตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนายนิริยาบาลจับเขาเทียมรถแล่นกลับไปกลับมาบนพื้นอันร้อน ลุกเป็นเปลวโชวดช่วงคนพานนั้นเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนในที่นั้นละถึงตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปในนิริยาบาลบังคับเขาให้ขึ้นลงภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ที่ไฟลูกโชนโชดช่วงคนพานนั้นเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่บนภูเขาฐานเพลิงนั้น แต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาป ก, กรรมยังไม่สิ้นไปในนิริยบาลจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงทุ่มลงในโลหะกุมพีหม้อทองแดงอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟคนพา น, นั้นถูกต้มเดือดจนตัวพองในโลหะกุมพีนั้นเขาเมื่อถูกต้มเดือดจนตัวพองในโลหะกุมพีนั้นบางครั้งลอยขึ้นบางครั้งจมลง บางครั้งลอยขวางเขาเสวยทุกเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในโลหะกุ่มผีอันร้อนแดงนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปในนิริยบานจึงทุ่มเขาลงในมหานรกก็มหานรกนั้นมีสี่มุมสี่ประตูแบ่งออกเป็นส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝ้าเหล็ก มหานรกนั้นมีพื้นเป็นเหล็กลุกโชนโช่ดช่วงแผ่ไปไกลด้านละร้อยโยน์ตั้งอยู่ทุกเมื่อภิกษุทั้งหลายทุกนี้กับทุกในนรกเปรียบเทียบกันด้วยการบอกไม่ได้ สัตว์ทั้งหลายสัตว์ดิรฉานจำพวกมีหญ้าเป็นอาหารมีอยู่สัตว์ดิรฉานเหล่านั้นใช้ฟันเล็มหญ้าสดบ้างหญ้าแห้งบ้างสัตว์ดิรฉานจำพวกมีหญ้าเป็นอาหารพวกไหนบ้างคือช้างมา้าโคลาแพะมรึกหรือสัตว์ดิรฉานจำพวกอื่นบางพวกที่มีหญ้าเป็นอาหารในเบื้องต้นคนพานในโลกนี้นั้น ติดใจในรถทำบาปกรรมไว้ในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์จำพวกที่มีหญ้าเป็นอาหารเหล่านั้นสัตว์ดิรชาชจำพวกมีคู่เป็นอาหารมีอยู่ สัตว์ดิรชานเหล่านั้นได้กลิ่นคู่แต่ที่ไกลแล้วย่อมวิ่งไปด้วยหวังว่าจะกินตรงนี้จะกินตรงนี้เปรียบเสมือนพรามเดินไปตามกลิ่นเครื่องบูชาด้วยหมายใจว่าจะกินตรงนี้จะกินตรงนี้แม้ฉันใดสัตว์ดิรชานจำพวกมีคู่เป็นอาหารเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันได้กลิ่นคู่แต่ที่ไกลแล้วย่อมวิ่งไปด้วยหวังว่า จะกินตรงนี้จะกินตรงนี้สัตว์ดิรัชานจำพวกมีคูดเป็นอาหารพวกไหนบ้างคือไก่สุกรสุนัขบ้านสุนัขป่าหรือสัตว์ดิรชานจำพวกอื่นบางพวกที่มีคูดเป็นอาหารในเบื้องต้นคนพาลในโลกนี้นั้นติดใจในรสทาบาปกรรมไว้ในโลกนี้หลังจากตายแล้ว จึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์จำพวกที่มีคู่เป็นอาหารเหล่านั้นสัตว์ดิรัชานจำพวกที่เกิดในที่มืดแก่ในที่มืดตายในที่มืดมีอยู่ สัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดในที่มืดแก่ในที่มืดตายในที่มืดพวกไหนบ้างคือแมลงหมอดไส้เดือนหรือสัตว์เดรัจฉานจำพวกอื่นบางพวกที่เกิดในที่มืดแก่ในที่มืดตายในที่มืดในเบื้องต้นคนพาในโลกนี้นั้นติดใจในรสทำบาปกรรมไว้ในโลกนี้หลังจากตายแล้ว จึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์จำพวกที่เกิดในที่มืดแก่ในที่มืดตายในที่มืดเหล่านั้นสัตว์ดิรชานจำพวกที่เกิดในน้ำแก่ในน้ำตายในน้ำมีอยู่สัตว์ดิรชานจำพวกที่เกิดในน้ำ แก่ในน้ําตายในน้ําพวกไหนบ้างคือปลาเต่าจระเข้หรือสัตว์ดิรชันจําพวกอื่นบางพวกที่เกิดในน้ําแก่ในน้ําตายในน้ําในเบื้องต้นคนพาในโลกนี้นั้นติดใจในรถทําบาปกรรมไว้ในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์จําพวกที่เกิดในน้ําแก่ในน้ํา ตายในน้ำเหล่านั้น